ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สามสิบสิงหาคมสองพันห้ารอยสามสิบสี่เป็นเวลาตอนใกล้ค่ำก็ขอบันทึกตอนที่สอนแต่ความจริงวันนี้ก็ป่วยมากหน้ามืดเต็มแต่เช้าเห็นหน้าใครก็จาไม่ได้งงไปหมดแต่ก็พยายามทำการทำบันทึกนี่อาจจะบกพร่องไปมากก็ต้องขออภยัย คุยกันไว้เป็นเรา่เคือว่าสำหรับพระในการ ป, รปฏิบัติพยาบาลในขณะเ ว, วลาที่ป่วยไข้ไม่สมบายคัดเศษก่อนได้พูดไว้ว่ามีพระสี่องค์แต่ไม่ได้รีบารละเอียดคือมันเป็นอย่างนี้อาการป่วยอัตมาน่ไม่ถึงกลมหมอนนอนเสียนักมีคราวหนึ่งที่ลมหมอนนอนเสือ คือเดือนกักกระดาษ 2,532 ตอนนั้นก็มีพระมานอนข้างหลายองค์พระที่รู้ในที่มันก็แคบใครก็มาข้างแต่ว่าระหว่างหลังจากนั้นมาและก่อนนั้นก็ดีเวลานี้ก็ตามไม่ถึงกาล้มหมอนนอนเสือ่อเป็นแต่เพียงว่าอาการมันไม่ดีเป็นบางตอนที่เวลาตอนเย็น หลังจากเลิกรับแขกแล้วจะมีอาการไข้เกิดขึ้นจะมีอาการอาเจียนออเจียนเป็นเสมหะแล้วก็มีอาการต่างๆมีท้องอืดเป็นต้นบางวันก็ต้องสวนกันงานสวนนี่ในตอนแรกๆตั้งแต่พศ2525เป็นต้นมาเป็นหน้าที่ของอิหดรดือบุญธริกาพยาบาลโรงพยาบาลแม่เด็ก ต่อมาจําไม่ได้ว่าเป็นพศสองพห้าร้ยี่สิบแปดละยี่สิบเกพอ น, ด, นดเคินคงดีอาจารย์โรงเรียนสุธรรมวิทยาเธอรับภาระเป็นผู้สวนให้ล้างท้องแล้วก็ปฏิบัติต้ น, นั้นเป็นต้นมาแจาการสวนการล้างท้องในบรรดาท่านุูธบริษัทน่ารำคาเนล่เกินในระยะตอนต้นๆที่แล้วมา หลังจากพศ ส, สามหนึ่งสามสอ ง, ส, องสามสามเกือบจะต้องสวนทุกวันเพราะมันไม่ถ่ายอาทิตย์หนึงสวนบ้างสองอาทิตย์สวนบ้างบางทีไม่ถึงอาทิตย์ครึ่สวนกันมันเป็นโรคที่ทรมานมากทีนี้มาคุยกันว่าทั้งเรื่องพระพระที่ดูแลอยู่เจอความจริงพระมีมากาทั้งที่อยู่ไกล งานกาของพระแต่ละองค์ต่างองค์ก็ต่างมีงานในความจรงอาตามาเขาไม่จะบอกใครว่าป่วยอะไรบ้างถ้าไปถามพระในวัดท่านอธิบายไม่ได้เพราะว่าเวลารับแขกท่าทางดีมันเป็นเวลาที่พระท่านช่วยเวลากลับมาอุติก็ป่วยท่านไม่เห็นแต่พระที่ปฏิบัติเป็นประจำมก็สี่องค์คือหนึ่งพระโคตรประหลัดอ น, นันต์ สองพระครูสมุโอสามพระบัณิกาประทีรีพระวิชัยทีพระน้อยศองค์นี้ค่อยไถ่จนปฏิบัติสําหรับพระครูสมุโอกับพระครูประหัอนันต์ถถ่กันเท่าวันไหนพระครูประัดอนันต์ประหลัดอนันต์ไม่อยู่เพราะนั้นพระครูพระครูสมุโอมาแทน พระสององค์ต้องต้อ ง, องเปลี่ยนการเฝ้าวิหารส <c oughs> ำหรับพระน้อยข้บพระคณูระนันประจำไปทุกวันเว้นไว้แจ่เมตุมตระออย่างอื่นไปตอนยินนะถ้าคนที่ประจำยืนโดยคนก็คือพ อ, พอนุชคืนคงดีคนนี้เป็นหมอสวนล้างท้องให้ยาให้ยาตามแพทย์สั่งบรคคนจัดยา สำหรับบริการประเทีย่ยวมานอนเป็นเพื่อนตั้งแต่ห้าทุเป็นต้นไปถ้าถว่ามีกรณีพิเศษไม่สบายเกิดขึ้นเธอก็นอนตะโขค้ำมาอยู่เป็นตะโขค้ำอย่างมีการให้น้ำเกลือเป็นต้นเธอก็มานั่งเฝ้าจนกว่าน้ำเกลือจะหมดน้ำเกลือก็มีการให้บ่อยก็เป็นว่าการป่วยมันก็เริ่มต้นมันตั้งแต่พศ2525ป่วยจากโดยตรง ขึ้นไปสรงเคราะห์เนคนยากจนในถิ่พระกำดานภาคเหนือถึงจังหวัดเชียงรายพักอยู่ที่สถานีพิทยุธาอากาศที่เชียงรายแล้วก็ไปโดยตรงหลังจากลงจากโดยตรงแล้วก็เริ่มป่ยตอนนั้นอากูเดียวไปเลี้ยงเด็กเดกนักเรียนที่แถบน่านมากเด็กกินจนอะไรร่อยก็เป็นแล้ว่าหลังจากนั้นมาในสายเหนือ ก็มีหมอจรุนเคยติดตามไปจากกรุงเทพไปฉีดยาไปให้น้าเกลือใสยเนืออยู่เสมอเวลาไปใส่เนือ้อแล้วต่อมาก็มาพศสองพันห้าร้อยี่สิบแปด่เนี่ยอาการหนักมากเพราะว่าในปีนั้นมีการสอนกรรมฐานมโนธิตเต็มกำลัง แต่ความจริงสอนที่สองสามวันก็ไม่มีผลไม่มีใครสามารถทําได้แต่ว่าใ น, นขณะที่สอนเนี่ยบรรดาแต่านพุทธบริษัทมันปัดสวาวะไม่ออกเวลานั่นคุณหมอประสิทธิ์โฟลโกนแห่งจุฬาลงกรณ์รักษาประจําอยู่พยาญอยู่ประมาณสองปี <c oughs> มันปัสสวะไม่ออกพอถึงวันที่สาม พระกูประัดันถามว่าหลวงพ่อครับปันปวดไหมแต่ความจริงไม่รู้สึกว่าปวดแต่ถ้าว่าพอพระครูประัดันถามเข้าเมือไประแตะเขานี่เจยวที่เขอเพะก็ปรากฏว่าปวดขึ้นมาทันทีมันปวดมากไื่เกินเนื่องจับอนาปานุสติคุมอารมณ์สักครู่หนึ่งอาการปวดก็หายไปหลังจากนั้นเขาโทรศัพท์ถึงหมอว่าสิทธิ์ฟตโกน หมอประสิทธิ์ก็มาฉีดยานอนหลับให้แล้วก็สวนอวัยวะออกมันออกมาฤทธิ์ครึ่งแค่บอกว่าหลวงพ่อทนมากเกินไปแต่ความจริงไม่เช่ทนมันไม่มีความรู้สึกปวดจริงๆไม่รู้เลยไม่รู้ตัวก็เป็นนั้นว่าหลังจากนั้นหมอประสิทธิ์ก็คุมการรักษาตลอดมาในเมื่อ ไปต่างประเทศหมอวสิทธิ์ก็ไปด้วยให้การรักษาหมอวิสุทธ์เป็นนายแพทย์ที่อำเภอบางบุรนากไม่ใช่ไม่ใช่ประจำอำเภอนะเขาตั้งิิเขาตั้งสถานการรักษาเองเป็นหมอที่มีชื่อเสียงไปด้วยเขาไปกลายเป็นหมอนวดไปฝึกการนวดถ้าหมอวิสุทธ์ไม่ช่วยนวดก็แย่เหมือนกัน <c oughs> ขณะที่เดินทางกลับนั่งบนเครื่องบินรู้สึกเป็นการแย่เพราะนวดเข้าคอเบา หลังจากนั้นมาก็มามอาการป่วยเรื่อยๆมามันมากบางน้อยบางนีนอาการป่วยมันมีอาการแปลกคือมีอาการอาเจียนเป็นปกติทุกวันตอนเย็นก็อาเจียนตอนค่ําก็อาเจียนทีนี้มีเรื่องแปลกอีกจุดหนึ่งคือว่ามันมีตัวตัวหนึ่งมันมีตัวคล้ายๆกระจับร่างเหมือนกระจับแต่มีปากสองข้าง มันพ่นเสมหะมีความรู้สึกต่ตออกช่งองอกต่อระหว่างท้อกับ อ, อกนิดปีอ่ะแต่เมก่นไหร่นิดนิดมันค่น ป, ปิดปิดปิดปิดมีความรู้สึกต่อเวลาพอมากมากแล้วข้าก็ไอเจียนมาเป็นเสมหะธรรมดาอ่อนๆไอเจียนมากครั้งละประมาณหนึ่งกระถนแล้วค่อยกระถนเป็นต้นต่อไม้ ต, ตัวตัวนี้ที่รู้รู้จักเป็นขึ้นมาเห็นมันแต่ควจริงเห็น ไอ้ตัวนี้มันเกิดได้ยังไงไม่เกิดในการสามสสองมันเป็นอาการ ส, ส, ม า, า, ร ส, สามิบสามซึ่งไม่มีในร่างกายของคนเป็นปกติแต่ถ้าว่าวันบังเอิญมีขึ้นแล้วมันก็ทําอย่างนี้ทุกวันเดอถึงตอนเย็นก็อาเจียนประมาณหนึ่งกระโทนถ้ามันก็พ้นต่อไปถึงกลางคืนประมาณสี่ทุ่มก็เจียน แต่เวลาหน้าเจียนอ่อนไม่มีไม่มีอาหารติดมาด้วยมันเป็นเสื้อผาคือเป็นเสื้อผาอ่อนๆเมื่อปีพศออ .2530 วันนั้นอาเจียนมากตอนเย็นประมาณห้าโมงครึ่งเจียนสองวาระอาเจียนวาระแรกหมดเป็นหนึ่งกระโทนพักอีกประเดี๋ยวหนึ่งเจียนหนักในลมดันหนักมากไอตัวกระจับเนี่ยหลุดออกมา เห็นว่ามันเป็นตัวสีขาวเท่ากระจั บ, บร่างเหมือนกระจับมีปากสองปากคอยพ่นเมื่อหลุดมาแล้วมันยังพ่นอยู่จึงเห็นชัดว่าออยเจ้านี่พ่นเสมหะมันามาจากไหนก็ไม่ทราบอันนี้เป็นกฎของกรรมหลังจากเจ้านั่นผ่านไปแล้วเสมะ ก, ก็น้อยลงแต่ว่าต่อมาไม่ช้าไม่นานนักก็เป็นอาการใหม่จากเสมหะที่มีเนื้ออ่อน เป็นเส้นหเหนียวอันนี้เป็นเส้นหาที่ลงมาจากสมองไอ้เส้นหานตัวนี้ใครๆก็รู้ว่ามันลงมาจากสมองหมอเจ็กที่เขาหามาดูรักษามีแพทย์แจ็กกู้จริงก็มีเกก็บอกว่าเส้นหา่านมาจากสมองแต่เกยก็ไม่สามารถจะให้ยาทำลายเส้นหานได้ก่มาเส้นหาตอนนี้เมื่อประเวณนี้เอง ประเดือนสองเดือนเนี่ยประเดือนนี่เองเขามีหมอพิเชษกับพัญญาจากยุตยามาเห็นเข้ามันมีความเข้าใจว่าเสพต้องจัดสมองก็ให้ยาชนิดหนึ่งบัญญาแผ น, แผนปัจจุวันเพระาะยานี่มันจะเจาะให้เป็นช่องอะไรเสพออกมาได้ยาขนาดนี้ชมาจึงเบาไปเรียกว่าไม่มีการอาเจียนจะมีบ้างเป็นขาดกันมานานหล า, หลายวัน เดือนหนึ่งจะมีสักครั้งสองครั้ ง, งอาจจะมีการอาเจียนอยู่บ้างนี่พู้น่าการป่วยทันีอาการป่วยต่อมาก็หลังจากพอสก่อนหน้าพอสประห้ารอยสามสิบเล็กน้อยก็มีหมอคณะหนึ่งเข้ามาเป็นชุดคือคณะหมอจรูนเดิมทีเดียวก็มีหมอจรูนกระแม่หมอแสงแสงสมใครเรียกว่าหญิง สองคนสามีพัญญาตามให้รักษายาให้ยารักษาเวลาไปภักเหนือเธอก็ตามไปให้การรักษาเวลาลงมากัุงเทพก็ตามให้การรักษาต่อมาคณะเข้าเข า, ข า, ขารวมกันคือมีหมอมนตรีแล้วก็หมอชนะหมอวัฒนะแล้วก็หมอปุ๊ปปุ๊นี่เป็นผู้หญิงชื่ออะไรไม่ทราบปุ๊นี่เคยแทงเข็มให้ฝังเข็ม ร่วมการรักษาต่อมาจนทั้งปัจจุบันแล้วก็หลังจากนั้นมาอาการวิกฤตที่มีความสำคัญมากคือว่าต้องคิดก็คือเมื่อเดือนกรกฎา 2,532 อาการแตกต่างเกิดขึ้นคือว่าอาการเส้หะเบาตัวลงไปผ่อนคลายไม่มีการอาเจียนเป็นเส้หัมาประมาณสิบวัน แต่ความจริงไม่ใช่หายมันสะสมตัวเองแต่มันไม่ออกมาพอถึงกรกดา22ของพศ2532วันนี้พูดกลัวเหมือนเมื่อวานนี้คอไม่ดีตาก็ลายอาการก็เหนื่อยวันหนึ่งรับแขกอยู่เวลาประมาณบ่าย2โมง3นาที มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าท่าอุจาระก็บอกพระสมุบัญชาบอกว่าผมจะเข้าห้องน้ำจะถ่ายอุจจาระแล้วบอกก็ญาติโยนที่มาวันแต่มาขออนุญาตเข้าห้องสวมไปย้ํหนึ่งจะมา <c oughs> ถ้าสมุบัญชาก็ตามมาเวลานั้นประตูก็มีกรอนพอเข้าไปก็ใส่กรอนเพาะความจริงไม่มีความรู้สึกอย่างอื่น มันมีความรู้สึกเพงบอกว่าเพียงว่าอยากจะถ่ายอุจาระเล็กน้อย <c oughs> เป็นธรมธรมดาธรรมดาแต่พอไปนั่งเข้าจริงๆบรรดาท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ถ่ายอุจาระอุจาระไม่ได้ถ่ายเลยแต่มันอยากจะอเจียนเมื่อมีความรู้สึกว่าอยากจะเจียนก็หยิบขันน้ำหาก็โถนก็ไม่มีอีกนั่นมาคิดว่าาจะเจียนธรรมดาที่ไหนได้มันออกมาเป็นริม ออกมาพรวดเดียวเต็มขันน้ำชิมหาเป็นลิ่มหลังจากนั้นก็หมดความรู้สึกจากร่างกายมีความรู้สึกว่าไปนั่งคุยกับเทวดาสององค์เป็นเทวดาขั้นอินทกาของจารุมาหราชนั่งคุยกันแบบสบายพักหนึ่งก็เข้ามาสู่ร่างมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้น เมื่อความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็ปรากฏมีเชื้อาเต็มห้องไปหมดห้องสวมเคลื่อนไปหมดเป็นเลื่ินๆออกมาจะบเฉียวเป็นหนึ่งกระทนต้องคิดว่าไหลกระนทนท้องโลงระยะแรกเมื่อมีความรู้สึกตัวเข้ามาก็ไม่มีแรงไม่สามารถจะลุกได้ต้องนั่งจับอานาปานุสติหลังจากนั้นก็ค่อยๆลุกมีแรงก็เกาะราผ้าไปถอยกรนเปิดประตู พอพระสมุทรบัญชาเข้ามาจับมือก็หมดความรู้สึกครั้งหนึ่งเขานี่สลบอีกครั้งหนึ่งที่หน่าประตส้วมยินเสียงพระสมุทรบัญชาเรียกพระประลัดวิรัตวิรัตวิรัตั ต, รตเร็วเรๆเร็วเรเร็วเลานั้นยินเสียงแคร่แววววไอ้ตัวก็อ่อนนอนลงไปแล้วหมดแต่ว่าหลังก่อนหลังจะถึงพื่นเนี่ยหมดความรู้สึกไม่รู้ว่ามันลงเบาหรือลงแรง ต่อมาเมื่อมีความรู้สึกขึ้นมาก็มีบังเอิญกับจ่าปัญญาไปเยี่ยมพอดีจะไปหาก็ไปพบอาการยานันเข้าแล้วก็มีคนหลายคนรอบกันมีพระหลายองค์ใครรู้ใครก็มานีความจริงยันนึกว่าพระทำไมสนใจแต่ความจริงไม่ได้บอกท่านแห่งการป่วยถ้าไปถามพระในวัดท่านจะไม่รู้ความเป็นจริงเพราะเห็นว่าเวลารับแขกพูดจาดีท่าทางดีนั่ไม่ใช่พระท่านช่วย เริงจากนั้นก็พับฐานไปหลังจากนั้นบรรดาท่านพุทบริษัทอาการอาเจียนเป็นสมอัก็ปรากฏเรื่อยมาเคลื่อนทั้งถึงทุกวันนี้ไ เ, เป็นว่าอาการป่วยบรรดาท่านหลายมันป่วยเรื่อยมาเป็นปกติถ้าจะถามว่าเป็นโรคอะไรอันนี้ก็ตอบได้ยากทั้งนี้พออ่อและพวว่าในตอนต้น คุณหมอสมศักดิ์คือพลตำรวจ โ, โทสมศักดิ์สืสงวนแพทย์ใหญ่กรมตารวจสมัยที่เป็นรองผู้อำนวยการได้นำไปเช็กร่างกายที่โรงพยาบาลตารวจสี่วันเช็คทุกอย่างด้วยอุปกรณ์ต่างๆตามที่มีอยู่แต่ได้ที่สุดปรากฏว่าไม่มีโรคอะไรหมอไม่พบโรค แล้วต่อมาไม่ชาติต่อหลังจะทำไมสองสามเดือนพระบาทสมเด็จจะอยูธวก็สมเด็จพ ร, รมราชินีนานก็มีความเป็นห่วงให้แพทย์หลวงให้เจ้าหน้าที่มาแนะนําประคอยไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลวิชัยยุธก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ไปบอกเช็คร่างกายมาแล้วมันไม่มีอะไรมนที่สุดถ้าเกิหัวใหญ่ก็ไปเช็คร่างกายอีก ไปนอนค้างที่นั่นหมอก็เช็คทุกอย่างปรากฏไม่ไมพบโรคมันเป็นโรคกดของกรรมจริงๆอาการต่างๆของโรคมีตะโกจริงๆมันไม่พบอันนี้ต้องคิดจะไปว่าหมอไม่มีความสามารถทําไม่ได้แต่ความจริงทุกอย่างมีถ้ามีความสามารถรักษาคนโรกหายมาแย่ทําไมเขาเป็นหมอยังไม่ได้ แต่ก็ไม่ทราบอะไรมันบงังหมอจังไม่พบถึงเวลานี้ก็เหมือนกันเวลานี้มันเพิ่มรายการขึ้นคือเมื่อเมื่ อ, มอไม่กี่วันมั น, นีมีโรคลางหัวใจเกิดขึ้นหัวใจผิดปกตินิดหน่อยแล้วก็ความนานวดันโลหิตสูงขึ้นถ้ามีอาการบวมอาการบวมนี่มีเป็นมาประมาณสักเมงปีบวมแล้วก็ยุบยุบระบมตั้งแต่เป็นเก้า จะเข้าปีที่สองแล้วหลังจะเป็นกระดหกเกาแล้วมันก็มีการบวมที่ขาที่เท้าบวมแล้วก็หายไปหายแล้วก็บวมใหม่เพราะว่าเรื่อยๆไปก็จริงบางขณะอาการหน้าวิตกถ้าเขาถามว่าทุกวันนอนกับใครก็ตอบว่าทุกวันนอนองค์เดียวในห้องไม่มีใครห้องหนึ่งถัดไปคือพระบริกาปรปฏิบ มานอนเฝ้าในยามดึกเพราะตอนเข้าข้างก็ไม่มีอะไรมีงานทําก็ทำเรยไ ป, ไปทำโน่นบ้างทํานี่บ้างทำภาษาคนแก่จึนไว้ถึงเวลาห้าทุ่มนอนได้เพราะว่าก่อนห้าทมนอนไม่ได้มันจะถ่ายอจาระอจาระปัญญาถายเทเล็กเที่ยนน้อยจะไปเรื่องกับห้าทมบ้างหกทุมบ้างฉะนั้นบริการประทิบัติในเมื่อเธอมาส่งจากที่รับแขกแล้วเธอก็ไปทํางานถ้าคนนี้เป็นช่างทุกประเภท ถ้าถึงเวลาใกล้ห้าทุ่มหรือห้าทมเธอก็ามาบางทีพอเธอมาก็ไอเจียนรับหน้าพอดีพอดีหลายครั้งมีบางคราวบนท่าทางไมาอา่ออเจียนพอนอนไปแล้วเธอห่มผ้าให้พันทับท้าเหมือนอยากจะวนนำ้ำลายพอลุกขึ้นมาก็ไอเจียนทันทีทันใดมันไม่บอกเล่าเก่าสิบก่อนอาการนี้เป็นปกติบางทีมันก็ไอเจียนัแต่ว่าข้ามก็มีไม่แน่นอนนะ โลัความว่าเป็นโรคทรมานเหลืเกินท่นี้เหลือเวลายสิบนาทีหน้านี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องความตายที่คิดว่าจะทำอัตนิบายกรรมถ้าไม่สามารถจะเอาพุจาระก้อนแข็งใหญ่ที่ขวางน้ำไส้อยู่ออกมาได้ก็ตัดสินใจว่าการทรมานอย่างนี้จะมีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถ้าต่ก่อนนี้ไปต้นมาก็าตามจนกว่าจะถึงวันที่3 ม, มกราคม2555ถ้าหากว่าถึงวันนั้นอาการนี้ยังไม่หายไปเราจะต้องตายเพื่อให้ร่างกายมันตายเราจะไปไหนก็ไปตามที่อยู่ของเราที่อยู่อยู่ที่ไหนตายแล้วก็รู้กัน ถ้าทังที่ใครอยากจะรู้ก็รอเวลาตายตายแล้วก็ตามไปดูกันแล้วกันว่าอยู่ที่ไหนเ <c oughs> วลา น, นี้ก็ตัดสินใจบอกใครไม่แน่นไม่ได้แน่นอนนักเพราะวันเวลายังไม่ถึงต้อคิดว่าจะไปอยู่ที่นั่นจะไปอยู่ที่นี่ถ้าตายจริงๆถ้าอารมณ์มันเสียมีอาการไข้คล่องทางอารมณ์เกิดขึ้นมีความสศร้าองเกิดขึ้นอาจจะไปสู่อ บ, บายภูมิก็ได้อารมณ์ดีน้อยอาจจะไปสู่สวรรค์ ถ้าตายในฌานสมาบัติอาจจะเป็นพรมถ้ากระนัตายไม่นยอมร่างกายเข้าไปนิพพานโดยไม่รู้จะอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ก็ไม่แน่ใจนักอันนี้ขอไม่พยากรณ์ตัวเองทั้งนี้ไม่ใช่อดดือ้ออดดีไม่ใช่อดเด่นความจริงมันเป็นอย่างนั้นเสียงใดก็ตามท่ามันยังไม่มาถึงก็อย่าเพิ่งพยากรณ์กัน พระอาจจะผิดเจ็บพลาดหรือไม่เฉะนั้นจะตกอยู่ในความประมาทถ้าความประมาทเกิดขึ้นมันจะไม่มีการพ้นทุกข์นี่ต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายด้วเวลาได้แปดนาทีก็สองวินาทีก็มาคุยกันว่าอาการต่างๆที่ทำการที่มีาการป่วยขึ้นก็มีหมอนี่พวกคร่าวๆนะ แต่ว่าเวลานั้นนอกจากหมอธรรมดาแล้วก็ยังมีหมอพิเศษนั่นคือหมอไสยศาสตร์ตั้งปีสองแปดเป็นต้นมาท่านร่ำในไสยศาสตร์สองแปดสองเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่ปีนี้ทางไสยศาสต ร, ร์ ม, ม, มันได้งานจัดมันทํานอกวัดไม่ได้เข้ามาทําในวัดเถาเผาหุ่นในวัดมา น, นั่งเสกในวัดมา น, นั่งทาต่อหน้า มีคราวหนึ่งกํลาลังบวงสงฆ์ที่หน้าปวดเวลานนั้นตะปูหล่นจากอากาศไม่ใช่หล่นตัวทั้งตั ว, ตวเขาเก็บไวนเป็นกองในการตัพูหล่นจากอากาศนี่เป็นศาสตร์ที่หนึ่งที่เรียกว่าคุณใสเขาปล่อยมาถ้ากํลาลังล็กของมันเราจะมองไม่เห็นมันจะเล็กมากจนมองไม่เห็นแต่ถ้ามันคลายตัวจนทั่งหล่นลงมาเห็นตัวอย่าง น, นั้นแสดงว่ามันหมดเทธิ์แล้ว เป็นว่าพระพุทธเจ้ากดดีพระเบเจพุทธเจ้ากดตามเป่ ว, ว่าอะไรให้ก็ตามพรมเทวดาทั้งหมดคขวาอาจาันทังคุ้มครองจึงทําให้ไศษศาสตรา น, นั้นหมดริดหล่นมาเป็นตะปูเขาเก็บได้กองใหญ่เนื้ออย่างนั้นอยู่หลายวันเนื้อคืนหนึ่งเวลามีงานทุกคนไปอยู่ระหว่างนิสลาสองไล่หมดพอ น, นุชเคิงคงดีเธอเฝ้ากุฏิอยู่ผู้เดียว ก็มีสุนัขขอแล้วก็เรียกชื่อเธอเรียกเหมือนเพื่อนเรียกเป็นชือ่อเขาเป็นคนเป็นเสียงคนธรรมาดายินดีใจว่าเทียวไปที่สงมันก็เยี่ยมยอดไม้หลังจากนั้นไม่ช้าไม่นานก็มีสิ่งของหนักพุ่งเข้าชนประตูที่เป็นประตูกระจกข้างๆขอ ง, งประตูแต่ขณะที่คนรอดได้ แต่ออกก็แสดงว่าเขาทาคุณใช้อย่างหนักอาจจะเป็นก้อนหินนั่งรูปมะพร้าวก็ได้ขเข้ามาเข้าแต่มาเอิญมาทุกขติอัตมาจุติสลาแต่มันก็ไม่เข้าประตูด้านในมันอยู่ระหว่างประตูด้านในกับด้านนอกคือด้านด้านชานทางเดินไม่ใช่ในวปกติแล้วก็พุ่งออกไปทําประตูด้านนอกชนกระจกข้างประตูทั้งกระจกหนาสองหนเศษสองหนึ่งแตกกับ เป็นช่องใหญ่มากนั่นถ้าถูกคนไม่ต้องเข้ามันก็ตายไปเลยถ้าถามว่าใช้สใครทามาก็ต้องตอบว่าไม่รู้ถ้าตอบว่ารู้มันก็ไม่มีพยานทางนี้เพราะอะไรเพราว่าคนทำใครเขาจะบอกใครที่บอกใครทำ เขาทําอย่างนี้ร่ำมาตลอดเวลาใช้เวลานานมากทำเรื่อยๆทาหลายวิธีเผาอุ่นบ้างเผาชื่อบ้างฟังรูปฟังรอยบ้างทุกอย่างเขาทําหมดส่งของมาเข้าตัวเราแต่บังเอิญอย่างยิ่งอาศัยบา ร, รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตน้นเจวดเจ้าพระรันพมเทวดาทั้งหมดครูบ า, าอาจารย์ท่านเมตตาสงให้ปลอดภัยมันได้ นี่ใคยบอกว่าสายศาสตร์ไม่มีอตาต ม, มตานําไม่เชือนแน่เพราะโดนมาแล้วเห็นมาแล้วตั้งแต่สมยัยหลวงพ่อปานยังทรงชีวิตอยู่ท่านเคยแก้มาแล้วอตาตมาเองก็เคยโดนมาแล้วแต่ไม่โดนมามีเคียดไปมาคราวนี้หนักมากถ้าถามว่าเขาทําเพื่ออะไรก็ต้องขอต่อว่าเราไม่มีเรื่องโกรธเคืองกันระหว่างผู้สั่งกับผู้ทํา พูดทาก็ดีพูสั่งให้ทำก็ดีไม่เคยเจิดหน้ากันไม่เคยกรเคืองกันไม่เคยพูดกันแต่ก็ไม่ทราบว่าเขาจะโกรธเรื่องอะไรทำเพื่ออะไรมันก็มีอยู่ทางเดียวตามข่าวเล่าลือที่เขาบอกว่าอาตมาเป็นคนขัดขวางการยึดประเทศไทยตามที่เขาใช้กำลังทหาร เขาจะเข้าตีทางไหนก็บังเอิญอย่างนี้อาตมาก็ไปทางนั้นทุกทีฝายทางนั้นจะกลับมาไม่กี่วันก็มีการถกโจมตีที่นั่นเมื่อไปแล้วทหารเห็นพระเป็นธรรมดาเขาทหารไทยเมื่อทหารเห็นพระเข้าทหารก็ขอของดีอาตมาก็มีผ้ายัานมหาวิชาจะสงครามแจกตำราหลวงพระปาน แล้วก็มีผ้ายันรูปหลวงพ่อปันผ้ายันขลุ่ยเพชรก็แจกกับพวกเธอก็เหลือไม่จำตัวก็เป็นการจะถือบังเอิญนะไม่ใช่เราได้ทุกอย่างพระได้คุมครองละมั้งทหารทุกคนที่มีผ้ายันมหาวิเชยสงครามหรือผ้ายันขลุ่ยเพชรทุกคนปลอดภัยหมดไม่มีใครเป็นอันตรายสักคนเดียว บางคนถูกยิงอย่างหนักด้อากา้าดูตามตัวเป็นจุดทรวงไพรแพร่พราว ไ, ไปหมดแต่ปรากฏไม่เข้าหนังของเธอเป็นเพียงรอยจุด ท, ท, ที่ถูกของแข็งมีแหลมเท่านั้นเขาบอกว่าเพราะเหตุนี้ในเมื่อเขาไม่สามารถจะทำลายกองทหารของเราได้เขาคิดว่าจะมาเนเป็นตัวขัดขวาง ทำให้เขาไม่สามารถจะยึดพื้นที่ได้ที่ที่อื่นนอกจากนั่งหนุ่มีเขาจ้างคนมายิงเขาใช้คนมายิงนี้มาหลายวาระมาที่รับแขกเข้ามาโดยเขาอย่างยิงที่รับแขกมีความสาคัญมากเขามันนั่งกันหลายหลายคนบางทีก็นั่งเป็นกลุ่มบ้างนั่งแยกตัวกันบ้างมาหลายเวาระวาระแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้ยิง ท่นนี้เป็นเพราะว่าคบาอาจารย์ท่านช่วยสรงพระบมพดพระเจ้าเป็นตนเป็นว่าในเมื่อไม่ตายพระอาวุธเขาต้องหาทางที่ให้พ้นจากความปลอดภยัยให้พน้พนพน้นพ้นภัยไปที่ปลอดภัยจวาวกว่าหนึ่งตำรวจเจ้เอาอุทัยธานีส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้การคุ้มครองสองตำรวจ ตำรวจปรับเพ่อก่อการร้ า, ายไหมรับราชกจราจนมีพลตำรวจโทรนึกที่ไม่ออกแล้วทีนี่พล น, นี่พลพรดุลโรมนี่พลเธอส่งกองตำรวจมาช่วยราาักษาเป็นเหตุใ้คดิตำลายได้ยากท่นบรรดาท่านผู้ ต, วตรวจสอบตำหลายโดยจนหน้าวันนี้ก็ไม่สบาย พูดมันสะดวกเวลาจะหมดเลยห้าสิบวินาทีเขาวาลาก่อนข้อความสุขสวัสดี์พัฒนานภมงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแต่บรร ด, ดาธารพุทธศาสตร์ที่กุญแพุทธฟังทุกท่านสวัสดี